4. ทุติยธรรมกติกะสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึกสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกภิกษุเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นพระธรรมกถึก ด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย <c> เพื่อคลายกำหนัด <c ups> เพื่อดับรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไม่ถือมั่นรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุละถึงเวทนาหากภิกษุละถึงสัญญาหากภิกษุละถึงสังขาร หากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกะึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไม่ถือมั่นวิญญาณ ควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันทุติยธรรมกติกะสูตรที่สจบ mm hmm. 5. พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องพันธนาการ เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะละถึงไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปนี้เรียกว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกเครื่องพันธนาการคือรูปจองจำไว้ถูกเครื่องพันธนาการทั้งภายในและภายนอกจองจำไว้มองไม่เห็นฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นถูกจองจำจนแก่ถูกจองจำจนตายถูกจองจำจากโลกนี้จนถึงโลกหน้าพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาและถึงอัตตาในเวทนา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 ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะละถึงได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์ปรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับไม่ถูกเครื่องพันธนาการคือรูปจองจําไว้ ไม่ถูกเครื่องพัฒ น, นาการทั้งภายในและภายนอกจองจําไว้มองเห็นฝั่งนี้มองเห็นฝั่งโน้นเรากล่าวว่าเธอพ้นแล้วจากทุกขและถึงไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาละถึงภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้สดับไม่ถูกเครื่องพันธนาการคือวิญญาณจองจำไว้ไม่ถูกเครื่องพันธนาการทั้งภายในและภายนอกจองจำไว้มองเห็นฝั่งนี้มองเห็นฝั่งโน้นเรากล่าวว่าเธอพ้นแล้วจากทุกข์พันธนสูตรที่ห้าจบ 6. ปริปุจิตสูตรว่าด้วยการสอบถามเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะดีละภิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณ น, นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปริปุจจิตสูตรที่หจบ 7. ทุติยะปริปุชิตาสูตรว่าด้วยการสอบถามสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเพิงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยะปริปุจชิตะสูตรที่เจ็ดจบ 8. สัญโยชนิยสูตรว่าด้วยทำที่เกือกูลแก่สังโยต เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์และสังโยชน์เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรสังโยชน์เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในรูปนั้นเป็นสังโยชน์เวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ชันทราคาในวิญญาณนั้นเป็นสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์นี้เรียกว่าสังโยชน์สัญญโนิยสูตรที่8ดจบ ปาทานิยสูตรว่าด้วยทำที่เกื้อกูลแก่อุปาทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่เกื้อกูลแก่อุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังทำที่เกื้อกูลแก่อุปาทานเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรคือรูปเป็นทำที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน ฉันทราคะในรูปนั้นเป็นอุปาทานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในวิญญาณ น, นั้นเป็นอุปาทานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เราเรียกว่าอุปาทานอุปาทานิยสูตรที่ก้าจบ สีละวันตัดสูตรว่าด้วยทำที่ภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยบคายสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะอยู่ณป่าอิสิปตนมรุกไทยวันเขครงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหาโกทิตะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเยน็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่และถึง ได้ถามดังนี้ว่าท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยกคายขอรับท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกฏิตะอุปทานขันห้าประการอันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสรเป็นของลำบากเป็นอาพาธ เป็นอย่างอื่นบังคับไม่ได้เป็นของสุดโสมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณอุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิยการโดยแยบคลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่น เป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่อุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุผู้มีศีลมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งโสดาปฏิพลท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันควรมนสิการโดยแยบคายขอรับท่านโกธิตะ อุปท า, านขันหาประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นโสดาบันก็ควรมนัิการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นโสดาบันมนัิการอุปท า, านขันหาประการนี้โดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งสะกะทาคามิผลท่านสารีบุตร ทำเหล่าไหนอันภิกษุแม้ผู้เป็นสกทาคามีควรมนสิการโดยแยกคายขอรับท่านโกติตะอุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นสกทาคามีก็ควรมนสิการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี มนัสิการอปปทานขันห้าประการนี้โดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงละถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งอนาคามิผลท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอนาคามีควรมนสิการโดยแยกคายขอรับท่านโกธิตะอปปทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอนาคามีก็ควรมนสิการโดยแยกคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นอนาคามีมนสัสการอุปาทานขันห้าประการนี้โดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งอรหัตผลท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอรหันควรมนสัสการโดยแยกคายขอรับท่านโกทิตะ อุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมโนสุการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศอนเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนเป็นอนัตตาท่านโกติตะจิตที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์อันหนึ่งทำเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสีละวันตสูตรที่สิบ สุตตะวันตสูตรว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการโดยแยบคายสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเคครุงพารณสีครั้งนั้นท่านพระมหาโกติตะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ละถึง ได้ถามดังนี้ว่าท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิกาลโดยแยกคายขอรับท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกธิตะอุปทานขันห้าประการอันภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิกาลโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาอุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. รูปูปาทานคันและถึง 5. วิญญาณูปาทานคันท่านโกรธิตะอุปาทานขันหประการนี้อันภิกษุผู้ได้สะดับควรมนุิยการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ได้สะดับมนุิยการอุปาทานขันหประการนี้โดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยง และถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งโสดาปฏิพลท่านสารีบุตรทาเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันควรมนุิยการโดยแยกคายขอรับท่านโกธิตะอุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นโสดาบันก็ควรมนุษการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงละถึงเป็นอนัตตา เป็นไปได้ที่พิกษุผู้เป็นโสดาบันมนัสการอุปาทานขันห้าประการโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงและถึงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งสกทาคามิผลและถึงอนาคามิผลและถึงอรหัตผลท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันพิกษุผู้เป็นอรหันควรมนัสการโดยแยกคายขอรับท่านโกธิตะ กุปาทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมานาสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดูดหัวฝีเป็นดุดลูกสรเป็นความคับแค้นเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนเป็นอนัตตาท่านโกธิตะกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปหรือการสังสมจิตที่ทแล้ว ย่อมไม่มีแก่พิกษุผู้อรหันต์อันหนึ่งทาเหล่านี้ที่พิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสุตตะวันตะสูตรที่11อจบ สิกัปปะสูตรว่าด้วยพระกัปปะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวาทีครั้งนั้นท่านพระกัปปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหางการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเรากัปปะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกกัปปะสูตรที่12จบ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 และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากับปะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันและถึงบุคคลเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นกับปะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงจะปราศจากอาหารการมามังการและมานานุัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมาณนะด้วยดีสงบระงับหลุดพ้นดีแล้ว ทุติยะกับประสูตรที่13จบธรรมะกติกวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อวิชาสูตร 2. วิชาสูตร สธรรมกติกะสูตร 4. ทุติยธรรมกติกะสูตร 5. พันธนสูตร 6. ปริปุจิตสูตร 7. ทุติยปริปุจิตสูตร 8. สัญโยชนิยสูตร 9. อุปาทานิยสูตร 10. บสีละวันตสูตร 11. สุตตะวันตสูตร สิบสองกัปปะสูตรสิบสามทุติยะกัปปะสูตรสามอาวิชาวกหมวดว่าด้วยอวิชชาหนึ่งสมุทัยธรรมสูตร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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดรูปที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดรูปที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่า รูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดเวทนาที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดเวทนาที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดเวทนาที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาละถึง ไม่รู้ชัดสัญญาที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่า สังขารมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่า วิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เราเรียกว่าอาวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไร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 รู้ชัดเวทนาที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าเวทนามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดารู้ชัดสัญญาที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและถึงรู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้ชัดสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่า สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดารู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดารู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้ชัดวิญญาณที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เราเรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาสมุทยะธรรมสูตรที่หนึ่งจบ กุติยะสมุทยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสูตรที่สองสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะอยู่หน้าป่าอิสิ ป, ปตนมรกทายวันเขตครุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหาโกติตะออกจากที่หลีเกเร้นในเวลาเย็นนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชาาวชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ไม่รู้ชัดรูปที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงและถึงไม่รู้ชัดรูปที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่ารูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ช an ัดเวทนาที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและถึงเวทนาที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาละถึงไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เวทนามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสัญญาที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดสังขารที่มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา ทุติยสมุทยธรรมสูตรที่2จบ 3. ตติยสมุทยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสูตรที่สาม สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนมรคทายวันเขโครงพารานสีท่านพระมหาโกติตะนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชา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 บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาตติยะสมุทยะธรรมสูตรที่สจบสี 4. อัสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพารณสีเหมือนกัน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 และเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาอาสาทสูรที่สี่จบ ติยอาสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกันท่านพระมหาโกธิตะนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่พระผู้มีประภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชา ท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาทุติยอัสาทสูตรที่หจบ 6. สมุทยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกัน ท่านพระมหาโกธิตะนั่งน้าที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดความเกิดความดับ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 Thank mm -hmm. you.